ก็ภิกษุณีใดไปสู่ระแวกหมู่บ้านรูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ต้องทำคือสังฆาธิเศษที่ชื่อว่าปัทมาปฏิกะนิสรณิยะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระพัทธกาปิลานีจบ